ขอโนบน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับขอกราบหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนกราบขอโอกาสหลวงพ่อกรมครับพระอาจารย์ยุกจิพระอาจารย์วัฒนชัยพระอาจารย์สุรินนะครับก็ขอโอกาสเพื่อนสาธรมิกก็เจริญพรพวกเราแม่ชีเนาะแล้วก็ญาติธรรมก็ปกติเนาะปกติของเรา พูดเล่าสู่กันฟังก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่อืมเป็นเรื่องที่จะพูดอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงหลวงพ่อเนาะนึกถึงหลวงพ่อที่นี่ก็ดีตรงนี้พอเวลาที่จะพูดอะไรดีมันก็ช่วยให้เราไม่หลักรอยนะ เพราะเนื่องจากว่าเหมือนกับบางทีไม่รู้จะทำอะไรดีไม่รู้จะพูดอะไรดีพอเป็นอย่างนี้เนี่ยคือในทางโลกเราก็มักจะคิดกันแบบนี้พอคิดกันแบบนี้เราก็เราก็คิดกันต่อเนาะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเนื่องจากว่าที่นี่เรียกว่ามีหลักมีหลักของความรู้สึกตัวพอมีหลักของความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ หลงพ่อเองก็จะพูดอยู่ในทุ ก, ก ร, รมทุกวาละเนาะอย่าเชื่อความคิดอย่าทาตามความคิด <c oughs> ตรงนั้นก็คือเป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นธรรมนาของเราทางโลกนะเราจะเชื่อความคิดทาตามความคิดแล้วเราก็จะไปหาคำตอบจากความคิดแล้วเราก็ไม่พบกับก็เรียกว่าความเป็นจริงจริงๆเพร <c oughs> าะเนื่องจากว่าเราก็จะพบ ความผิดหวังบ้างเนาะหรือไม่ก็ความเดือดร้อนใจไม่มากก็น้อยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับพอเวลาที่เรามาอยู่ในก็เรียกว่าหลักมาอยู่ในหลักของความรู้สึกตัวที่หลวงพ่อเทียนได้ให้ไวเนี่ยตรงนี้มันทำให้เราก็เรียกว่ากลับมาสู่การปฏิบัติหลวงพ่อมุเขียนก็บอกบอกว่าให้เราเชื่อให้เราเชื่อกันปฏิบัติ การปฏิบัติก็จะทำให้เราได้คำตอบจริงๆนะการปฏิบัติจะทำให้เราได้รู้ว่าเราควรจะต้องทำอะไรต่อไปความคิดไม่ได้เป็นเรื่องดีจะทำให้เราได้รู้ว่าเราควรจะต้องทำอะไรต่อไปตรงนี้เป็นสิ่งที่ต่างกับต่างกับทั้งโลกมากๆทีท่ทางเราที่นี่เนะาะท้งเราที่นี่ได้ยึดถือเอาไว้ ที่นี่เราก็ปฏิบัติธรรมกันเราก็จะเชื่อการกระทาของเราพอเราปฏิบัติธรรมกันปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ปฏิบัติธรรมที่นี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่ากลับมารู้สึกตัว <c ười> คำนี้เป็นคำที่เป็นธรรมะที่เหมือนกับหลวงพ่อเทียนก็ให้ไว้เป็นคำที่สั้นๆเนาะแล้วมันก็เป็นคำที่ทำให้เราได้เหมือนกับว่าพอได้ยินปุ๊บเนาะเราก็ จะเหมือนกับว่าได้ใช้สติกลับมาเนาะที่ที่กายที่ใจเราพอเราเหมือนกับว่าเราได้ใช้สติกลับมาที่กายที่ใจเราเราก็เหมือนกับก็จะได้เหมือนกับอาศัยกายที่เคลื่อนไหวเนาะเป็นตัวที่แบบทำให้ใจเนี่ยกลับมาตามดูตามรู้ ใจที่กระเจิดกระเจิงไปไหนอะไรยังไงก็ตามอย่างเงี้ยใจก็จะกลับมาอยู่ที่กายเนาะก็จะกลับมาก็เรียกว่าสงบสงบอยู่กับกายในทันทีตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ก็ได้ให้เหมือนกับได้ให้เคล็ดลับก็ดีนะหรือว่าจะให้ก็เรียกว่าไม้ตายก็ดี หรือจะเรียกว่าจะให้ก็เรียกว่าอะไรที่รัดสั้นก็ได้อะไรที่เหมือนกับให้ผลก็ได้แต่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนก็บอกเอาไว้นะบอกว่าเราทําได้แล้วหรือยังเราทําคล่องแล้วหรือยังอย่างเงี้ยเราหัดให้อยู่ในเนื้อในตัวของเราหรือยังตรงนี้คือตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับคําว่ารู้สึกตัวก็เป็นคําที่ เป็นคำเด่นเนาะของหลวงลพเทียนแล้วก็เป็นคำที่เด่นของก็เรียกว่าสุขโตการกลับมารู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวคำหนึ่งตรงนี้เบิงทีสมัยก่อนตอนก่อนที่จะรู้จักกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยคำว่าธรรมะเนี่ยไม่รู้นะ <laughs> ได้ยินครั้งแรกเนี่ยจากการที่เราเด็กๆใช่ั้ม ก็มีก็เรียกว่าวิชาพลเมืองศีลธรรมอะไรเงี้ยเนาะอันนั้นก็เราก็ได้ยินคำว่าธรรมเนาะจากตรงนั้นอะไรเงี้ยโตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็แบบว่าเราก็ได้ยินจากหลวงพ่อพุทธาธิว่าธรรมะคือธรรมชาตินี่เนาะตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับโอ้ทิ้งเวลายาวนานมากนะจากเด็กๆ เ, เล็กๆนะอายุไม่ทันถึง10ขวบเนี่ย แล้วก็จนกระทั่งเราโตขึ้นมาจนกระทั่งถึงจะยสขวบแล้วก็อ่อนนี้เราก็ได้ยินคำนี้เนาะธรรมะกับธรรมชาติแบบนี้แต่พอเวลาที่เราอยู่ในสุขโตเนี่ยคำว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่านี่คือคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็นี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องเอามาเ็าเรียกว่ามาศึกษาและปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วก็ศึกษาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติคือตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าพุทธเจ้าให้เขาเรียกว่าให้ธรรมะให้หลักการในการปฏิบัติเอาไว้ผ่านคำสอนของพุทธเจ้าเพราะนั้นนึคือที่ตรงนี้เนี่ยพระจันเพศานก็จะแนะนำพวกเราซึ่งเป็นคำที่ชัดเจนมากๆเนาะบอกการธ ร, รวัดเช้ากัรทับปัญเจนเนี่ย ก็เท่ากับ ว, ว่าเรามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอืมเมื่อก่อนก็เหมือนกับเราก็ก่อนที่จะได้ยินคนํานี้การทําบัดเย็นทำบัดเช้าก็เท่ากับ ว, ว่าเราก็ขึ้นมาสวดมนต์นะสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นอะไรอย่างนี้านๆล้วนี้แต่ว่าพอพระอาจารย์เปโสารใช้คําสั้นๆว่าเรามาเข้าเฝ้าพพุทธเจ้าเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับ ว, ว่าเราได้ยิน คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยผ่านการก็เรียกว่าการสวดมนต์ของเราเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าเองก็บอกเนาะบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าสิ้นแล้วเนี่ยก็ให้ธรรมและวินัยเนี่ยเป็นตัวแทนเนาะเป็นตัวแทนของท่านเพราะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ควรจะต้องทํำยังไงดีเราก็ควรจะต้องเตรียมทั้งตัวให้ดี ควจะต้องเตรียมทั้งใจให้ดีตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยเราได้กลับมารู้สึกตัวหรือเปล่าว่าเรากําลังจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะเวลาเรากําลังจะขึ้นศาลารรมำบัตรอย่างนี้เนาะเราเตรียมตัวพร้อมไหมเราเตรียมใจพร้อมไหมเนาะแล้วก็เราตั้งใจเต็มที่หรื อ, อยังเราทําหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วหรื อ, อยังตรงเนี้ย เพราะวานั้นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าธรรมะแต่ในความหมายของธรรมะคือนี่พระพุทธเจ้ากําลังจะบอกเราเนาะบอกว่าทํำยังไงถึงจะไม่ถูกตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะเนื่องจากว่าธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าจะบอกตลอดเวลาบอกเพื่อให้เราได้ทำเนาะให้เราทำนะสิ่งที่เราทำเนี่ยผลก็คือความไม่ถูกอย่างเงี้ย นั่นก็คือตรงนี้มันเป็นก็ เ, เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆบางทีเราเรียนหนังสือกันเนาะเราก็ทําอย่างนั้นซีทาอย่างนี้ซีอะไรต่างๆนา น, นาเหล่านี้การกระทําของเราตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยมันก็เป็นการกระทําที่ไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีสิ่งที่ทํำยังไงถึงจะไม่ทุก์เนี่ยอยู่ตรงนั้นนะไม่มีมันจะมีแต่เหมือนกับว่า เราทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เกิดนะวัตถุสิ่งของอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะจับดินสอเพื่อให้เขียนออกมาเป็นตัวหนังสือจับตะหลิวจับกระทะเพื่อให้มันออกมาเป็นกับข้าวหรือในต่า ง, างนานาเหล่านี้แต่ตรงนั้นนะมันเป็นตัวหนังสือเป็นกับข้าวถ้าเกิดว่าเราเติมคํำว่าทํายังไงตัวหนังสือนี้จะทําให้เราไม่ทุก์เนี่ยตัวหนังสือมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็จะเรี้ยงตัวกันมาอีกแบบหนึ่ง หรือทำยังไงแล้วจะทำกับข้าวที่ทำให้เราไม่ทุกข์กับข้าวมันก็จะออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นนั่นคือตรงเนี้คำว่าคำว่าไม่ทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเขียนบอกบอกว่าครั้งหนึ่งเนาะบนศาลาสาล า, าไก่เมื่อก่อนเนก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมคล้ายๆอย่างนี้ละนแต่ว่าสมัยนั้นคนไม่มากเพราะฉะนั้นสาลาไก่ขนาดที่พวกเราเห็นก็อยู่ณนะวันนี้ จริงๆก็เล็กกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งก็เป็นที่ที่เราก็ใช้ทาบัตรกันก็มีโยมคนหนึ่งก็สักถามหลวงพ่อมีคำถามที่ยาวนานถึงสามชั่วโมงเรียกว่ามีคำถามในความสงสัยเนี่ยซึ่งพกมาเป็นแรมปีแรมเดือนเนี่ยเยอะแ ย, ยะไปหมดแล้วก็ดูท่าไม่จบง่ายๆถ้าไม่ใช่ ใกล้หกโมงเย็ น, เ ป, นเป็นตัวเป็นตัวเส้นตายที่จะเป็นคําถามสุดท้ายอะไรเงี้ยแล้วพอเขียนท่านก็คงลองดูดูอยู่ว่าคําถามสุดท้ายที่ท่านจะตอบจะเป็นคําถามไหนแต่อาจจะไม่ใช่คาถามสุดท้ายที่ค้างคาใจของโยมนะอย่างนั้นอันนั้นคือกบพก คำถามมายาวนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เงี้ยคำถามสุดท้ายก็คือคำถามที่ถามว่าเอ๊ะ mm hmm. e, หลวงพ่อตอนนี้อ่ะพลังจักรวาลอ่ะเขากาลังฮิตกันอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นยังไงอะ่ะมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงหนูไม่ค่อยเข้าใจเลยนะว่าพลังจักรวาลเนี่ยมันเป็นยังไงก็ป <c oughs> <c oughs> รากฏว่าคําตอบของหลวงพ่อมันทําให้หลวงพ่อเองที่นั่งฟังอยู่ตรงนั้นเนาะ <c oughs> ก็แบบเป็นคำถามที่ที่ถ้าในใจของตัวเองฟังคำถามปุ๊บเนี่ยเราก็นึกคำตอบอไอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆเหล่านีนานน้แต่ผว่ามัเขียนตอบสั้นที่สุดนะหลวอพ่าบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยมากมายแล้วก็ยิ่งโลกเราเนี่ยหมุนมาถึงวันนี้เนาะ มีความเจริญต่างๆมีเรื่องราวต่างๆนานาที่เกิดขึ้นไม่เป็นแตละวันเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีความสนใจอยากรู้อยากเห็นอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยแต่หลวงพ่อเนี่ยทุกวันเนี่ยสนใจอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเองก็คือทํำยังไงถึงจะไม่ทุกข์เราฟังแบบนี่ปุ๊บเนี่ยนะไอ้ความอยากรู้อยากเห็นหรือว่าคําตอบเนี่ยมันจบ มันจบลงไปเลยเพราะเนื่องจากว่าเราเองก็เหมือนกับว่าเราก็อยากรู้เป็นความรู้เนาะใช่ไหมไอ้ความอยากรู้ที่เอาไว้เป็นความรู้เนี่ยมันก็เป็นความอยากรู้ที่ไม่รู้จะเอามาใช้ทำอะไรแล้วมันก็เป็นทุกครั้งที่เราเหมือนกับว่าได้ความรู้มาเราก็ไม่เคยรู้สึกพอเนาะไม่เคยรู้สึกอิ่มไม่เคยรู้สึกอะไรต่างๆนานาก็ต้อง ถามตามความสงสัยเรื่อยไปเนาะอย่างนี้เนาะอย่างนั้ น, ะ น, นตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับพอเวลาที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยใช่มมันก็เราก็ได้ยินได้ฟังก็เป็นเรื่องสะดุดหูเนาะ <c oughs> นี่คือสิ่งที่เหมือนกับเป็นธรรมะเนาะเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าเองก็บอกเอาไว้แล้วทำชฉไหนาการทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้อย่างนี้ เราก็สวดกันอยู่ทุกเช้าทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นแต่บางทีเราสวดทุกเช้าทุกเย็นทุกเท่าทุกเช้าเย็นเนี่ยบางทีเราก็ยังอยากรูก้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีกันอยู่ตลอดนะมันเหมือนกับคําสวดของเรามันก็เป็นคําสวดที่บางทีมันก็ฟังผ่านๆไปบางทีเราก็ไม่ได้เอาสิ่งที่ควรจะใคร่ครวญควรจะพิจารณาเ น, นี่ยมาแต่ว่าธรรมะเนี่ย <c oughs> จะเป็นพุทธเจ้าก็ดีจะเป็นหลวงพ่อเทียนก็ดีจะเป็นหลวงพ่อคำเขียนก็ดีเนี่ยจะไม่ไม่ไม่ให้เราต้องขบคิดนะเพราะว่ า, าถ้าเกิดว่าพวกเราย้อนกลับไปที่ตรงบทสวดมนต์เนี่ยทำไงนะการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้เนี่ยเราก็จะพบว่าหลังจากนั้นเนี่ยพระก็จะสวดอย่างหนึ่งโยมก็จะสวดอย่างหนึ่งซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางเดินของพระหรือเป็นทางเดินของโยมเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกให้ไว้เรียบร้อยแล้วละว่าทํำยังไงตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่บางทีเนะเราก็เผลอไปคิดนะเนี่ย้ขาเรียกว่าเผลอไปคิดแบบลืมรู้สึกตัวว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังหลงไปกับความคิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นนะเพราะว่นั้นคือธรรมะเนี่ย ไม่ต้องให้เราได้เสียเวลาคิดอะไรประมาณนั้นคือพระพุทธเจ้าเองก็บอกสอนนะบอกอย่างละเอียดสอนอย่างละเอียดแล้วก็เขาเรียกว่าบอกสอนอย่างที่เราไม่ต้องเสียเวลาคิดเลยทําอย่างเดียวคือลองทําดูลองทําดูตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเขียนก็จะบอกเสมอๆหลายๆครั้งเนาะหรือบ่อยๆในท้ายที่สุดของการเทศของหลวงพ่อเขียนเนี่ยหลวงพ่อก็จะบอกบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อหลวงพ่อนะ ลองมาไปทำดูก่อนอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ที่นี่เนาะที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้กันหลวงพ่อคำเขียนก็จะแบบนี้ตลอดเวลาเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยเจอหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยสิ่งที่แบบว่าพบคำว่าธรรมะที่ต่างกับโลกทางโลกเนี่ยเป็นยังไงหลองพ่อคำเขียนใช้คำว่าปลี๊ด ทางโลกคำว่าปีปลีเนี่ยหมายถึงว่าเราอาจจะแบบเฉยโอกาสเนาะเฉยโอกาสเอาประโยชน์ส่วนตัวปีปลีหรืออะไรต่างๆนานา น, า น, า น, านี้แต่ว่าหลวงพ่อเองเนี่ยใช้คําว่าปีปลีในมุมของธรรมที่ก็มีความรู้สึกว่าคํานี้ก็เป็นคําที่เออนะ มันมีความหมายแบบใหม่หลวงพ่อก็บมิเกนก็ถามว่าตอนนั้นหลวงพ่อมิเยนบอกว่าเอา้าไปนั่งดูตัวเองสิไปนั่งดูตัวเองให้ละเอียดเหมือนอย่างเวลาที่เราเหมือนกับพากบผาเขียดดูไส้พุงเขาเหมือนกับเราสองกล้องจุลทรรศน์ ด, ดูเขาอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นก็พอเวลาที่หลวงพ่อให้เวลาเราไปนั่งดูตัวเอง เราก็าไปนั่งดูอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเง้ยดูใบไม้ใบหญ้าดูไอ้นู่นไอ้นี่ต่างๆานานาดูเรื่องเน่าตัวไปหมดทั้งนั้นที่หลวงพ่อก็บอกบอกเรื่องเดียวเท่านั้นเองคือให้เราเนี่ยเป็นนั่งดูตัวเองแต่พอเวลาที่เรารับคำเนาะมันก็เหมือนกับเราเด็กๆกนะันเนาะเวลาครูบอกอะไรก็ครับครับครับครับเอย่างเงี้ยครูบอกให้ไปทําอะไรอา้าวเข้าใจแล้วนะครับครับครับครับ แต่ท้ายสุดก็ต้องกลับมาถามครูอีกอยู่ดีเอ้ยเมื่อกี้คุณครูบอกอะไรนะครับอย่างเงี้ย <c ười> คือการฟังหูไว้หูหรือว่าการฟังแบบไม่ได้ตั้งใจตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกตัวไม่ได้กลับมารู้สึกตัว่าตอนนี้เนาะก็ <c ười> เรียกว่าใจเราอะอยู่กับการฟังหรือเปล่าหรือว่าใจเราลอยไปไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ย พอหลวงพ่อเขียนเจอหน้าเนอะหลังจากที่หลวงพ่อเขียนบอกให้เราไปทําซึ่งไม่ได้บอกอะไรมากมายไปกว่าให้เราไปนั่งดูตัวเองนี่ล่ะแต่ว่าหลวงพ่อเขียนก็คงรู้อยู่แล้วละ่ะว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยก็คือแบบนี้อนะไรเนี้ยเพราะฉะนั้นคือหลวงพ่อก็ถามเนอะคำถามกับหลวงพ่อก็ไม่ได้คําถามที่แบบเอาผิดเอาถูกอะไรกันแล้วแต่เป็นคําถามที่หลวงพ่อมาถามมาเอา้าว ที่เป็นนั่งเนี่ยนั่งฟรีๆมาหรือเปล่านั่งทําอะไรอะไรเงี้ยตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่คําว่าฟรีของเราเนี่ยในทางโลกเราก็คุ้นเคยอยู่อย่างหนึง่งใช่ไหมอันนี้นั่งฟ ร, รีเอ้นั่งไม่จ่ายตังค์เนี่ยเราทํายังไงบ้านั้น <c oughs> แป๊เดียวเท่านั้นเองนะครับในเซี่ยววินาทีที่หลวงพ่อเหมือนกับทอดลมหายใจสักหน่อยแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าไอ้ที่นั่งไปอะ่ะก็ไม่รู้ว่านั่งทําอะไร <c oughs> ตรงนี้เองก็ คือความคิดนะมันก็จะแหลมมากนะนั่วเราเองก็จะหาคำตอบจากความคิดอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนั่นคือพอได้ยินคำว่านั่งปิปรีปุ๊บล้วก็หาคำตอบจากความคิดทันทีหมายถึงอะไรแต่นั้นคือหลวงพ่อเองก็ให้ก็เรียกว่าให้คำตอบกับเราโดยที่เราไม่ต้องคิดตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เ้าเรียกว่าในทางธรรมเนะในทางธรรม กับทางโลกเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เ็าเรียกว่าสวนทางกันตลอดเวลาซึ่งตรงนี้ใช่ไหมทางโลกเราอาจจะวิ่งหาความสุขนะอาจจะเหมือนกับชอบที่จะหาความทุกข์นั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยจิตใจของเราก็จะไปวิ่งไปหาความสุขบ้างนะชอบที่จะทำเรื่องหาทุกข์ใส่ตัวบ้างนะ แต่ถ้าทางรำเนี่ยเราจะหาหาสิ่งที่เราเรียกว่าไม่ทุกข์กันแล้วก็การหาสิ่งที่เรียกว่าไม่ทุกข์เนี่ยตรงเนี้ยจะหาจากไหนอย่างเงี้ยนะก็หาจากการกระทําของเราตรงนี้ละเป็นสิ่งที่เรียกว่าเครื่องมือที่เรียกว่าความรู้สึกตัวก็เป็นเครื่องมือที่เราใช้ได้เนาะเขาเรียกว่าใช้ได้อย่างอย่างดีที่สุดเป็นเครื่องมือที่หลวงพ่อมเขียนจะใช้คำว่าพกติดตัวไปไหนก็ได้อย่างเงี้ยนะ ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเอาแบบหอบหอบหมอนหอบเสือไปที่ไหนที่มันพลุงพลังพับติดตัวไปพับติดกระเป๋าไปซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาพับไม่ต้องเสียเวลาเพราะเนื่องจากว่าความรู้สึกตัวก็อยู่กับเราเมื่อไหร่ที่เราใช้สติเนาะกลับมาดูความเป็นไปของกายเราเมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยตามดูตามรู้ตรงเนี้ย พอเวลาที่เราทำเท่านี้เองเนี่ยเนาะรู้สึกได้ไหมว่ากำลังมีกายเคลื่อนไหวอยู่รู้สึกได้ไหมว่าใจกำลังเผลอไปคิดอยู่อย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกแบบนี้ได้เนี่ยเนาะใจเราก็จะกลับมาเป็นอัตโนมัติอย่างนั้นคือตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราต้องสังเกตเนาะเราต้องพิจารณา แล้วก็เครื่องมือที่ใช้สังเกตเครื่องมือที่ใช้พิจารณาเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่เราเรียกว่าสติหรือความรู้สึกตัวตรงนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเราก็ต้องหัดละหัดผ่านความเคลื่อนไหวของเราแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่ละตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งดีก็เรียกว่าพอเราใช้เครื่องมือแบบนี้เนี่ยมันจะมีภาษาธรรมหลายหลายอย่างเนาะที่เหมือนเหมือนกับ เราก็ไม่เคยได้ยินทางโลกหรือมันเป็นเรื่องของทางโลกที่ก็เอามาใช้กับทางธรรมหรือเป็นเรื่องที่ทางโลกก็เอาภาษาธรรมไปใช้แล้วก็ผิดๆกันอะไรต่างๆแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพอเวลาที่เราเหมือนกับว่าใช้เครื่องมือที่เรียกว่าสติตรงนี้ตามที่ครูบาอาจารย์ได้สอนเอาไว้เนี่ยเรา ใช้เป็นหรื อ, อยังเนาะเรียกว่าใช้เป็นหรื อ, อยังทำได้หรื อ, อยังคล่องหรื อ, อยังอะไรเงี้ยเหมือนกันเรามีเครื่องมือสักอย่างเราก็ต้องหัดเก็ต้องหัดหัดใช้ให้คล่องหัดใช้ให้คล่องแล้วเราก็จะใช้คล่องแคล่วเป็นประโยชน์มากมายแต่ที่นี่เครื่องมืออันนี้อันเดียวเนี่ยเรียกว่าโอ้เป็นเครื่องมือที่พุทธเจ้าเองก็บอกบอกว่าเป็นมารดาของธรรมทั้งปวงนะเป็นอุปการะที่สุดอย่างเงี้ย เหมือนกับแม่ที่มีอุปการะกับลูกที่ทำให้เราแบบว่าโตมาเนาะอย่างนั้นถ้าไม่มีแม่เนาะเราก็ไม่ได้เกิดมาอย่างเนี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สติก็เหมือนกันถ้าไม่มีสติเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมะที่เราจะได้เห็นเนี่ยยากมากเนะคิดไม่ใช่ยากมากคิดว่าไม่เห็นหรอกเพราะว่าสติเป็นเครื่องมือที่จะทำได้เลยเราเห็นธรรม พระเจ้าเองก็บอกบอกว่าธรรมะก็ปรากฏกับเราอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ปรากฏกับเราอยู่เขาเรียกว่าผ่านหน้าพวกเราอยู่แต่เราไม่เห็นตรงเนี้ยเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเครื่องมือที่เรียกวัตสติอยู่เพราะนั้นก็นคือตรงเนี้ยพอเวลาที่เราอยู่ในสุกโตเนาะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอะไรยังไงก็ตาม ไม่ว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปหรือจะเป็นมันคืนที่อยู่ข้างหน้าเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเหมือนกับว่าลองเนาะลองอยู่กับความรู้สึกตัวลองเอาความรู้สึกตัวมาใช้กันแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ลองนึกถึงสิ่งที่เราเรียกว่าเราลองดูเนาะแบบว่ามีอย่างที่หลวงพ่อําเขียนบอกนะบอกว่าลองดูสิว่า เราเนะ่ยทำยังไงถึงจะไม่ทุกข์อย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยคำถามว่าทํำยังไงถึงจะไม่ทุกข์ของที่นี่ไม่ไม่ต้องสงสัยนะเราลองใช้ความรู้สึกตัวดูเราลองใช้ความรู้สึกตัวดูรวร ต, วดตรงเนี้ยความไม่ทุกข์ปรากฏกับเราแต่ว่าความไม่ทุกข์ที่ปรากฏกับเราเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่ว่าตามวิเศษหรือสติของเราเนี่ยจะเห็นทันไหมจะว่องไวพอไหมเพราะเนื่องจากว่า อย่างความคิดของเราเนี่ยมันจะเป็นความคิดที่ไหวมากๆนะใช่ไหมเป็นความคิดที่ไหวมากๆวันก่อนนี้ก็แบบนั่งรถไปเนาะกับคนคนหนึ่งปรากฏว่าเราก็คุยกันกับคนขับเนาะในขณะที่คุยกับคนขับเนี่ยคนที่นั่งคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เหมือนกับฟังอยู่ พอเราก็คุยไปคำสองคำนะคนที่นั่งอยู่ก็เสนอเรื่องราวที่ผ่านเรื่องราวที่เรากำลังคุยกับคนขับเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะทั้งที่เหมือนกับว่าพอเวลาที่นึกย้อนไปเนี่ยระยะเวลาที่คุยเนี่ยนะเป็นระยะเวลาที่ประมาณสักแบบสักสามนาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่เรื่องราวที่เขาเสนอออกมาเนี่ยโอ้เป็นโปรเจกต์เนาะเรียกว่า เป็นเรื่องลาวที่โอ้ใหญ่โตมากเลยนะแล้วก็เขก็คือเหมือนกับว่าความคิดของเราเนี้ยบางทีมันเร็วขนาดนี้เนาะเร็วมากๆซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้สติเนี่ยเป็นตัวช่วยเนาะที่จะพาจิตใจเรากลับมาจากความคิดเนี่ยตรงเนี้ยโอ้จิตใจเราจะถูกความคิดเนี่ยฉกฉวยเอาไปแล้วก็ใจเราก็เรียกว่าหลงไปกับความคิดเนี่ยไหลไปกับความคิดกลับไม่เป็น ซึ่งตรงนั้นน่ะหมายถึงว่าในขณะที่เราหลงไปตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่านั่นคือเราไม่รู้สึกตัวเนาะไม่รู้สึกตัวเพราะว่านั่นคือใจเนี่ยจะหลงออกไปเนี้ยใช่ไหมอันตรายมากๆเดินข้ามถนนอยู่เนี่ยหลงไปคิดเนี้ยอันตรายจริงๆนีนั่นนั่นคือตรงนี้ทุกทุกเขาเรียกว่าทุกขณะจิตของเราทุกขณะจิตของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฝึก ความรู้สึกตัวให้คุ้นเคยคุ้นเคยที่จะกลับมาเห็น <c oughs> ความเป็นไปของกายเราเห็น <c oughs> ความเป็นไปของใจเราเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เราจะค่อยๆเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นเครื่องมือเนาะที่สุกโตเนี่ยให้ไว้เป็นเครื่องมือที่เขาเรียกว่าหลวงพ่อเทียนหลว่อคำเขียนให้ไว้เป็นเครื่องมือที่พระเจ้าเนี่ยได้ให้ไว้ แล้วก็ตรงเนี้ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญมาพวกเราเนาะได้เดินมาถึงที่ตรงสกุกโตรตรงนี้ได้มาเจอคำสอนเนาะของพระเจ้าที่เราสวดทุกเช้าทุกเย็นเนาะได้มาก็เรียกว่าได้มาสัมผัสกับสิ่งที่เราเรียกว่ารู้สึกตัวที่หลพระเทียนหลวงพ่กกเขียนเนี่ยได้เคยก็เรียกว่าเห็นประโยชน์ของตรงนี้มาเนาี่ยพวกเราเองก็ให้เราได้รู้ว่านี่คือ นะเรากำลังก็เรียกว่าได้เครื่องมือที่จะทำให้เราไม่ทุกเนาะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่จะทำให้สิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ยังไงก็ตามเนี่ยเราจะใช้โทรศัพท์ก็ดีเนาะเราจะเขียนหนังสือก็ดีเราจะลุกเราจะนั่งก็ดีเนะนี่ยตรงเนะี้ยเนาะอากับกริยาต่างๆที่ทำเนี่ยมันจะมีการประกอบเนาะนั่งยังไงให้ไม่ทุกลุกยังไงให้ไม่ทุกดื่มน้ำยังไงให้ไม่ทุก ฉันอาหารยังไงให้ไม่ทุกข์อย่างเงี้ยเนาะยกมือสร้างจังหวะยังไงให้ไม่ทุกข์เดินจงกรมยังไงให้ไม่ทุกข์เนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องคิดมากนะว่าคืออะไรยังไงแต่ว่าเติมความรู้สึกตัวเข้าไปเติมสติเข้าไปเนี่ยกับอักับกริยาต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยเราจะได้คําตอบไปความรู้สึกตัวนี้ยิ่งใหญ่มากๆแล้วความรู้สึกตัวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราหัดแค่อย่างเดียวเนี่ย แล้วเอาไปใช้กับทุกอย่างเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยทุกน้อยลงแน่นอนเนั่นนั่นคือตรงนี้แล้วก็อย่ากที่จะฝากฝากเอาไว้จะเป็นวันนี้จะเป็นวันไหนจะเจอหน้ากันหรือไม่เจอหน้ากันนะ่ะไม่เป็นไรเลยเนาะเพราะว่า น, นั่นคือถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยเจอกับความรู้สึกตัวแล้วพวกเราเอาความรู้สึกตัวเป็นเพื่อนเนาะ เอาความรู้สึกตัวเป็นเขาเรียกว่า <c oughs> เป็นสิ่งที่อยู่ประจำใจเราเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่มันจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าความไม่ทุก์เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มมทเร า, ม ไ, มเาได้สัมผัสแน่นอนแล้วก็มันจะอยู่กับเรายาวนานแค่ไหนเนี่ยก็เท่ากับที่เราเนี่ยคอยที่จะรู้สึกตัวตรงนี้ก็ตรงนี้ละเป็นสิ่งที่ต่างกับทั้งโลกตรงที่ว่าโลกเรา ก็หาทุกหาสุขอะไรต่างๆนานาเหล่านี้แต่ที่นี่เนาะเราจะหาความไม่ทุกข์กันก็ให้พวกเราทุกคนได้เพียรหาแล้วก็ให้เราได้พบความไม่ทุกข์กันทุกคนก็เดี๋ยวพวกเรากลับพระพร้อมกัน